อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะทุกๆเชา้าเมื่อเปิดสถานีในเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งทางสถานีก็ภูมิใจอย่างยิ่งที่จะขอนำรายการธรรมารับอรุณมาเป็นรายการแรกที่จะเปิด รายการของสถานีซึ่งเป็นรายการที่มีทํานฟังที่เป็นแฟนรายการอยู่มากมายทั่วประเทศทีเดียวค่ะเพราะว่าจะนาสิ่งที่นอกจากจะเป็นมงคลแล้วยังนำความสบายอกสบายใจเรียกว่าเป็นสุขอย่างแท้จริงจากในใจของเราอย่างแท้จริงนะคะเช้า ว, วันนี้เป็นเช้า ว, วันอาทิตย์นะคะที่17มิถุนายนค่ะวันนี้เป็นวันแรม13บสาค่ำเดือน7 ตีมโรงนะคะซึ่งพบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็คิดว่าขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการ พระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนโพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเล้นอปิจวาจาตามพุทธโอษหรือพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งวัดป่าดอนหายสกตําบุรดอนหายสกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสอาดทิโตภาโสท่านเป็นเจ้าอาวาสที่มีเมตตาสูงอย่างยิ่งนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการท่านเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าข้าพระอาจารย์เจ้าขาเชิญปาน ค่ะทุกเจ้าค่ะเมืม่อวานก่อนจบรายการนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เกริ่นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยได้หลังจากที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของปฏิจจสมุทรบาทมานานแล้วก็เป็นทางแก้ทุกเมื่อเรามีทุกเนี่ยพระอาจารย์แนะนําไปแล้วสองวิธีก็ติดไว้ว่าเช้าวันอาทิตย์นี้จะแนะนําอีกสองวิธีเจ้าค่ะก็กลัดหมเลยเพราะว่าคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านตามรับฟังอยู่แล้วเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก็พูดถึงปฏิจจสมุปบาทนะคือการที่การทํางานเป็นเหตุเป็นผลของธรรมะของพระพุทธเจ้านะซึ่งถ้าเราเข้าใจเหตุที่ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีและเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงดับไปแเราได้พูดมาถึงตอนขาดับแล้วนะความดับทุกเรากําลังจะแก้ปัญหาในชีวของเราแล้วเมื่อวานนี้เราได้พูดถึง2กระบวนการ นะยะซ้ำอีกครั้งหนึ่งกระบวนการแรกเนี่ยก็คือกระบวนการที่เรามีคบคนดีนะแล้วก็ทําให้มีการฟังธรรมนะเพราะมีการฟังธรรมแล้วศรัท ธ, ธาเราจะเกิดขึ้นนะเพราะเรามีศรัท ธ, ธาแล้วเราก็จะมีการทําในใจโดยแยบข่ายแนะโดยในยักของเรสสัตสีพอทํา ใ, ในใจโดยแยบขายแล้วสติสัมปชัญญะจะเริ่มมีกําลังขึง้นมาละตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์ของเราก็จะได้รับการปิดกัน้นนะเพราะปิดกั้นแล้วบาปอยเข้ามากุศลทําเกิดอย่างเดียว นะัก็จะทําให้สติปัฏฐานเอ่อทำให้กายวาจาใจของเราบริสุทธิ์นะมีสุจริตทั้ง3อย่างพอกายวาจาใจบริสุทธิ์แล้วนะสติสติทั้ง4สติปัฏฐาน4โพชฌเจกก็เกิดขึ้นมาได้นะวิชาวิมุตติก็เกิดผางขึ้นมาเลยอันนี้กระบวนการที่1นะหรือกระบวนการที่2นะเราเอ่อคบกับคนดีนะคือคือเราเห็นทุกเห็นทุกแล้วเรามีศรัทธานะมีศรัทธาแล้วเนี่ยเราสามารถทําปราโมทให้เกิดขึ้นในจิต นะมีปีติมีปราโมทเกิดขึ้นในจิตนะจิตก็มีความสงบระงับนะมีสุขแล้วกจ็จิตเป็นหนึ่งได้นะเห็นตามที่เป็นจริงนะเห็นมีความเบื่อหน่ายนิพิทาความเบื่อหน่านยะปล่อยวางได้แล้วก็ทําวิชาบิดมูลให้เกิดขึ้นได <Okay. S 2> นะ้อันนี้ได้ทั้งสองกระบวนการเหมือนกันนะทําได้เหมือนกัน <Okay. S 2> วันนี้ก็จะพูดถึงกระบวนการที่สามนะนั่นก็คือกระบวนการที่เราพูดอยู่ บ, บ่อยๆอยู่ในราการอยู่แล้วนั่นคืออนาปันสติ นั <mm ่นคออนาปรนสตินี <oddly> ่คือเราสังเกตลมหายใจแล้วพอเราสังเกตลมหายใจนะด้วยระบบของการที่มีสติอยู่ในลมหายใจตรงนี้คือสตินัคือสติปัฏฐาน4ี่เลยอยู่ในลมหายใจของเราแต่พอเราสังเกตลมหายใจอย่างเงี้ยเรามีสติอยู่ในลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เราเห็นอะไรเห็นลมหายใจเห็นลมหายใจคืออะไรลมหายใจคือกายอ้าวแสดงว่าเราเห็นกายในกายแตเราสังเกตลมหายใจอย่างเงี้ยเราสังเกตเห็นจุดสัมผัสของลมที่อยู่ในโพรงจมูกอันนั้นเห็นอะไรเห็นเวทนาเห็นเวทนาก็ออเวทนาสติปัฏฐานอย่างเงี้ย แล้วผู้ที่เข้าไปสังเกตเจ้าลมหายใจนี้ก็คือจิตนะทําให้เราเป็นผู้ที่เห็นจิตในจิตได้เราก็ธรรมะใดๆที่เกิดขึ้นนะจะเป็นความไม่เที่ยงก็ตามนะเห็นสิ่งที่ต่างๆดับไปเกิดขึ้นมาใหม่พวกนี้ก็เป็นธรรมานุปัสนาสติปฐานนะเป็นผู้ที่ชื่อว่าเห็นธรรมในธรรมทีนี้เจ้าอานาปาญสติเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ไหลไปสติปทานทั้ง4 เนะพราะไหลไปสตประฐาน4แล้วก็ทําโพชฌงทั้ง7ให้เกิดอันนี้เป็นพุทธวจนะนะที่บอกว่ า, าทำอันเอกนะที่เมื่อทําแล้วจะทําให้ธรรมะทั้ง4เกิดขึ้นได้ธรรมทั้ง4ี่ทำแล้วจะทำให้ธรรมทั้ง7เกิดขึ้นได้ธรรมทั้ง7จ็ดทำแล้วจะทําให้ธรรมะอย่างเกิดขึ้นได้ธรรมอันเอกอันแรกนี่คืออะไรนั่นคะืออานาปานสตีนั่นเองทําอานาปานสตีแล้วจะทําสติปัฏฐานทั้ง4ี่ให้เกิดขึ้นได้สติปัฏฐานทั้งสี่ทำให้เจริญแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนะจะทําให้โพชฌงธทั้้ง7เกิดดไ พชนั้งเจ็สมบูรณ์แล้วนะ่บริบูรณ์แล้วนะจะทําให้วิชาพิมุติเกิดได้เจ้าค่ ะ, ะทีนี้ลมหายใจตรงเนี้นี่แหละคือคือเป็นบางคนเนี่ยเห็นความทุกข์อยู่ต่อหน้าแล้วก็มองข้ามมองเลยจมูกตัวเองไปนะจริงๆแล้วทางออกอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นเองนะพอเรามีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ต้ไปมองที่อื่นเลยเรามองที่ลมหายใจของเรามองที่จมูกเรานะพอเรามองตรงนี้ปุ๊บอนาปัญสีเกิดขึ้นตันตีปับ๊บ พอนามปฏิสิทธิ์เกิดขึ้นทังทีปุ๊บจิตคุณมีสติทันทีจิตคุณมีสติทันทีปุ๊บคุณปิดกั้นแล้วปิดกั้นทุกอย่างแล้วนะพอปิดกั้นทุกอย่างแล้วกายวาจาใ จ, าจาคุณบริสุทธิ์ละนะคุณบริสุทธิ์ปุ๊บสติปัฏฐานสี่เกิดสติปฐานสี่เกิดปุ๊บโพชงคเจ็ดเกิดโพชงคเจเกิดปุ๊บเราวางได้นะจิตเราบริสุทธิ์อย่างนี้เนี่ยจิตเราไม่มีความยึดถือทําให้จิตเราไม่ไปพัวพันมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็จะมาทําาาาใใให้้้้้เเเเรรรปปปป็็็นนนนทุุกกกขไไไไไไมม่่่่่ดออออืคะััีวลููณแจจยะ เข้าใจเจ้ ving, จาค่ะเ <ving, S 1> จา้าค่ะก็เรียกว่าอย่างที่พระอาจารย์ไล่มานี่ก็คือว่าอันนี้เราเป็นทางแก้ทุกทางที่สามนะเจา้าค่ะก็คือเรื่องของอน า, าปาณสติก็คือการกำหนดลมหายใจอย่างที่พระอาจารย์เคยว่านั่นเองนะเจ้าค่ะเพียงแต่วันนี้เนี่ยจะลงแนะนถึงวิธีการที่ว่าเป็นขั้นเป็นตอนที่หลังจากที่เราทำอน า, าปาณสติแล้วเนี่ยเราจะเกิดปฏิปทานสี่นะเจ้าค่ะกนั้นก็มาทราบถึงโพชง จากโพกชงก็จะทําให้แบบว่าไปถึงวิมุตก็คือนิพานนั่นเองได้ใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องถูกต้องทีนี้ถ้าเป็นคนช่างสังเกตเนี่ยแล้วก็ทำความเข้าใจในหมวดธรรมะตรงนี้เนี่ยนะเราจะพบว่ า, าพระพุทธเจ้าตัดตอนมาตรงนี้นะโพชงเจ็กับสติปัฏฐาน4ี่นะแล้วก็ตัดตอนทั้งพวงข้างล่างเนี่ยออกมาแล้ว เ, เอาสติปัฏฐานเข้าไปเสียบแทนนะคือกระบวนการแรกที่เราพูดเมื่อวานนี้เนี่ยคื อ, อมีโพชงเจ็เหมือนกันมีสติปัฏฐาน4เหมือนกัน นะแล้วก่อนเส้าสติปัญสีเนี่ยคือสุจริตสามอย่างคือกายวาจาใจเป็นสุจริตใช่ไหมแล้วก็ไล่ไปสังรวมอินทรีย์มีมีสติสัมปชัญญะมีโยนิโสมนสิการมีความศรัทธา ม, มีการฟังธรรมมีการควบคุดีทั้งยวงเนี่ยเอาออกเลยแล้วเอาสติปัตส์เอาเอาอนาปนานสติเข้าไปเสียบแทนอืมค่ะหมายความว่าอะไรหมายความว่าอานาปนานสติเนี่ย น, นะก็คือการสังรวมอินทรีย์ อ น, นาปัญสิก็คือการที่มีการวาจาใจเป็ น, ปนสุจริตอนาปัญสิคือการที่มีสติสัมปชัญญะอนาปาญสิคือการที่มียนินยนสมวณสิการอ น, รนาปาญสิก็เป็นพุทธที่จะทําให้สุดท้ายเกิดขึ้นได้อ น, นาปัญสิคือการฟังธรรมนั่นแหละอนาปัญสิคือการครบเพื่อนดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลมดูลมหมายใจเนี่ยเราดูได้ตลอดเลยนะเราคบเพื่อนอยู่เราคุยกับเพื่อนอยู่เราก็รู้ลมหายใจไปได้นะเราขับรถอยู่ทีนี้ถ้าคนต้องทําให้ชํานาญก่อนนะถึงจะสามารถ ดูลมหายใจขณะขับรถได้เนี๋ยวมันจะเลยบ้านเจ้าค่ะเพราะนั้นถ้าถ้าเราฝึกดีแล้วเนี่ยเราจะสามารถรู้ลมหายใจได้อยู่ตลอดเวลาที่เราทําอะไรก็แล้วแต่จะประชุมทํางานคุยกับคนอื่นแก้ปัญหาในบ้านแก้ปัญหาในครอบครัวแก้ปัญหาที่ทํางานคุณมีสติอยู่ในลมหายใจได้หมดเลยเจ้าค่ะตรงนี้จึงพูดถึงอนาปานสติเนี่ยพระเจ้าบอกเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะเป็นธรรมที่เมื่อทําให้เจริญแล้วก็จะ อมีอันนี้ส่งใหญ่มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมากมายนะถ้าเราหวังว่าจะทําสมาธิให้เกิดขึ้นเราเป็นสมาธิอ่านั้นคุณต้องเจริญอนาปานาสติเลยถ้าคุณหวังว่าจะทําให้เราปล่อยวางได้อ่านี้คุณต้องเจริญอนาปานาสติเลยบางคนไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเรียนหนังสือต่างประเทศเนี่ยคิดถึงบ้านใช่ไหมเอางั้นคุณต้องเจริญอนาปานาสติเลยอานาปานาสตินี่ช่วยคลายความคิดถึงบ้านได้นะอืมเจ้าค่ะ เพราะเราตั้งจิตอยู่ที่จุดเดียวใช่ไ้ยเจ้าคะ่ะคือจิตนิ่งก็ไม่วอกแวกไปเรื่องความเศร้าหมองอะไรต่างๆเจ้าคะ่ะเป็นจิตที่มีสติแล้วมันก็ไม่ไปคิดเรื่องที่เป็นอกุศลเจ <c oughs> นะ้าค่ะไอ้ความคิดอะไรต่างๆที่บ้าบาวบวอมันก็บาบางปลายดับปตรงนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี่คือกระบวนการที่สาม กระบวนการที่สามถูกไหมใช่ถูกเจ้าแล้วที่4เป็นไงคะเจคาพระอาจารย์โจคะเดี๋ยวก่อนจะไปที่สี่ขาพูดที่สามอีกนิดนึงก่อนได้จ้ามีมนเลยจ้าคะคือลมหายใจเนี่ยอยู่ๆมันมันไม่ใช่ว่าใครจะมาเห็นลมหายใจได้คือเราหายใจมาตั้งแต่เกิดอยู่ก็จริงแต่แต่ว่าเราจะเอาจิตของเรามาไว้ที่ลมหายใจเนี่ยถามว่าจะทํำยังไงใช่ไหมเหตุอะไรทําให้เราสามารถที่จะมาสังเกตลมหายใจของเราได้หลวงพ่เจ้าเคยพูดอยู่ นะคือถ้าเผื่อเราเป็นคนที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโตุในบริการแห่งชีวิตอันนี้จะทําให้เราสามารถสังเกตลงไปใจได้และอย่างที่2คือถ้าเราเป็นคนที่ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆนะทรงสุดตาสังสมสุดตาคือฟังธรรมะของพระเจ้าเลยนะที่เป็นพระวจ้านเนี่ยก็จะทําให้เราสังเกตลงไปใจได้นะอย่างที่3มก็คือเป็นคนที่กินน้อยๆหน่อยนะคือประกรอบตนอยู่ในความเป็นผู้มีท้องอันพร่อง คือ mm hmm. กินกินอยู่จริงแต่ว่าพอกินแล้วก็ยังเหลือช่องว่างในท้องอยู่บ้างนะคือไม่ใช่กินจนเต็มปรีแล้วก็อัดแน่นจนมันเกือบจะแตกอย่างเงี้ยนะอันนี้ผิดแล้วนะจะทําให้คุณไม่เห็นลไมไปใจแต่ถ้าเรากินกินตามสบายไม่เป็นไรแต่ว่ากินแล้วให้เหลือช่องว่างในท้องไว้บ้างนะประกอบตนอยู่ในความเป็นผู้มีท้องอันพร่องอยู่เสมอในะอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคเจ้าค่ะหรือว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ป่ามีเสนาสนะสงัด เนะี่ยไปอยู่เงียบเอยู่ละเอีอันนี้จะทําให้เห็นลมใจได้ดีน ะ, ะแล้วก็เป็นคนที่อมอีความต้องการน้อยนะสบา ย, บายๆอยู่ง่ายๆสบายๆนะแล้วก็พยายามศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆจะทำให้เราเป็นผู้ที่สามารถเห็นลมหายใจได้แต่ประนั้นเหตุตรงนี้มันจะสนับสนุนกันไปหมดนะคุณเดชใจนะมันก็ก็อยู่ในนี้หมดเลยนะคือคือที่อธิบายมาตรงเนี้ยบางคนอาจจะสงสัยว่าโอ้โหทำไมหมวดธรรมะมันมากอย่างนี้ จะไปจำได้ยังไงนะคือมันก็อธิบายแยกย่อยกันไปนะอย่างสมมุติเราบอกว่าเอาข้าวมาเม็ดนึ่งนะในข้าวนี่มีอะไรเอามีค oh าร์โบไฮเดรตมีแองวิตามิน B <ม>ด้วยเนา ะ, ะสมมุติว่าถ้าเราเอาจมูกข้าวมาด้วยเอาข้าวกล้าวมาอเงี้ยมีวิตามินต่างๆนะทีนี้วิตามินมันคืออะไรมันก็คือไฮโดรคาร์บอนนะไฮดรชเชนกับคาร์บอนมันก็แยกย่อยออกไปเท่านั้นเองแต่ทีนะี้แต่ว่ามันจะชื่อต่างกันนะคุณตัดตรงนี้ออกมา เ, าเป็นกรดอะมิโนแต่ตรงนี้ออกไปเอาเป็นไพวกเอมไซอีกอย่างหนึ่ง มันก็คืออยู่ในนี้ผสมกันอยู่ในนี้หมดแล้วนะเพราะนั่นคือที่เราแยกย่อยออกมาเนี่ยเพื่อให้ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจว่าอ๋อมันมีหมวดธรรมะที่หลากหลายมากเลยนะมีส่วนประกอบอย่างนี้นะเวลาเราเลือกใช้เราก็จะเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องนะจุคาทีนี้อีกกระบวนการหนึ่งกระบวนการที่สี่กระบวนการที่สี่เนี่ยก็ชื่อว่าเรามีศรัทธาเพราะเรามีศรัทธาแล้วเราจะทําความเพียรให้เกิดขึ้นได้เพราะทําความเพียรให้เกิดขึ้นได้เราจะมีสติขึ้นมา นะพอมีสติขึ้นมาแล้วก็จะทําให้จิตของเรามีสมาธิถ้าพอจิตของเรามีสมาธิแล้วเราจะทําให้เกิดปัญญาไดนะ้ตรงนี้ก็เรียกว่าอินทรียห้นะเป็นกระบวนการที่เข้าใจได้ง่ายๆหลายๆท่านก็คงจะรู้อยู่แล้วอนะินทรี่ห้าอินทรีย์5คือศรัทธาวิเรศติสมาธิปัญญาใช่ไหมศร <Okay. S 1> ัทธาวิเรศสีสมาธิปัญญาเนี่ยหอย่างเนี้ยก็เรียกว่าอินรีย์5ถ้าเรามีศรัทธาคือความมั่นใจนะศรัทธานี่ต้องขอพูดนิดหนึ่งว่าไม่ใช่ศรัทธาแบบตาบอด นะคือ <Okay. S 1> แบบศรัทธาแบบเชื่องม ง, งายอย่างนี้ไม่ใช่นะอันนี้ผิดลาผิดละ <Okay. S 1> หรือว่าศรัทธาแบบว่ า, าหัวเต่านะศรัทธาแบบนิดๆหน่อยๆทำบ้าง <laughs> ไม่ทำบ้างอันนี้ก็ไม่ <laughs> ไม่ใช่นะแต่ศรัทธา <laughs> <laughs> ตรงเนี้หมายถึงความมั่นใจนะความมั่นใจในคำสอนพระเจ้าว่ากระบวนการนี้สามารถแก้ปัญหาในชีวิตของเราได้ <Okay. S 1> บุคคลนี้เป็นคนเก่งนะให้ความรู้เราเราสามารถแก้ปัญหาชีวิตของเราได้นี่คือความศรัทธาความมั่นใจตรงนี้ อ, อย่างสมมุติเรามั่นใจว่า เราสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างเงี้ยสมมุติมีงานสัก ง, งานหนึ่งมาอย่างเงี้ยนะสมมติถ้าวิศวกรเนี่ยคุณมีมโปรมีโครงการโครงการหนึ่งไหมคุณทำคุณดูแล้วโอ้ยอันนี้ผมมั่นใจเต็มที่เลยผมทำได้นี่แหละคือความมั่นใจในลักษณะที่ว่าโอ้โอวิธีการของผู้วิชานี่เรามั่นใจเต็มที่เลยว่าสามารถแก้ปัญหาในชีวิตของเราได้อย่างนี้นะนี่คือความมั่นใจความศรัทธาแต่เรามีความมั่นใจความศรัทธาอย่างนี้เราจะทุ่มตัวเต็มที่และจะมีความเพียรใช่ไหมพอเรารับงานที่เราสามารถจะทำได้เยเยราจะทล เราทำอย่างเต็มความสามารถด้วยอ ย, อย่างใครที่มีความเชี่ยวชาญอย่างคุณตือใจอย่างเงี้ยมีความเชี่ยวชาญในงานประชาสัมพันธ์ใช่ไหมเราก็ทําอย่างเต็มที่เราอยู่ที่นี่เราก็ทํางานอย่างเราไป ม, า ม, มีความเพียรตรงนี้นะเคคพราะเรามีความมั่นใจใ น, ในงานของเราคคในฝีมือของเราอย่างนี้เป็นตน้นนี่คือศรัทธาวิริยะเกิดขึ้นมาหลักพร้อมกันละมาด้วยกันละนะเจ้ ค, ค่ะทีคคะนี้ ID, พอมีวิริยะตรงนีเน้เราก็จะมีมีสติเกิดขึ้นได้เราจะประคองสติเพราะว่าเราจะมีความเพียรเราคอยจพระประคองจิตของเรา นะประครับประครองจิตของเรานะให้สามารถทํางานรุ่ร่วงไปได้นะคืออย่างสมมติคนที่จะทํางานจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยคุณต้องมีสติใช่ไหมพอมีสติแล้วเนี่ยจิตก็จะเป็นจิตที่เป็น1ละเป็นสมาธิละนะก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นนะก็นี้ก็จะเป็น5อย่างนะศรัทธาวิญยาสติสมาธิปัญญาเรียกว่าอินทรีห้านะอินทรีย์ตรงนี้นะก็จะไม่เหมือนกับอินทรีย์6นะอินทรีห6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมอินทรีย์6ตอนนั้นคือช่องทางที่ให้ สิ่งต่างๆเข้าออกจิตส่วนอินทรีย์5ตรงนี้เป็นความยิ่งใหญ่ที่จะทําให้จิตของเรานั้นบนรรลุตามเร็วหรือช้าเจค่ะอย่างลมหายใจที่เราสังเกตอย่างเงี้ยคุณจะสังเกตลมหายใจได้เร็วหรือให้ใจช้านะมันก็อยู่ที่ว่าอินทรีย์คุณแก่กราหรืออินทรีย์คุณอ่อนแต่เพราะนั้นตัวแปรที่จะทําให้รู้ว่าเราบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าเนี่ยก็คืออินทรีย์ห้าตัวนี้ศรัทนธะาวิริยะสติสมาธิปัญญา อ, อีกครั้งหนึ่งนะเจ้คาค่ะศรัทธาวิริยาสติแล้วสมาธิและปัญญาปัญญาหอย่างนี้ห้าอย่างนี้เป็นอินสี่ห้านนี่คือเป็นกระบวนการที่สี่นะกระบวนการที่สี่ล่ะทางแก้แห่งทุกนะเจ้คาค่ะใช่ใช่กระบวนการที่สี่ทั้งสี่กระบวนการนี้นะก็ไม่ว่าคุณจะเริ่มจากการคบคนดีจนกระทั่งไปหาโพชฌงเจตมีศรัทธาไปหาโพชงทั้งเจด จนทาวิชาวิโมนให้เกิดขึ้นได้หรือว่าคุณจะเริ่มจากการที่มีศรัทธามีปราโมทย์ปีติทําให้เกิดความเบื่อหน่ายปล่อยวางได้หรือว่าคุณจะเริ่มจากการที่ทําอานาปาญสติมีสติสัมปชัญญะไปจบโชฌงเจตทำวิชาวิโมนให้เกิดขึ้นได้หรือว่าคุณจะเริ่มจากการที่มีศรัทธาทํำตามอินทรีย์ห้าเราก็ทําวิชาวิโมนให้เกิดขึ้นได้มีปัญญาเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าจะพูดก็พูดนะมันก็คือ อริยามรรคมีอง8ปนดะอริยามรรคมีองแปดเนี่ยผู้เจ้าบอกถึงการความดับความทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกขนะ์ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์แต่เพราะนั้นไม่ว่าจะกระบวนการไหนเนี่ยมันก็จะตกอยู่ในอริยามรรคมีองแปดตกอยู่ในศีลสมาธิปัญญานะซึ่งอริยามรรคมีองคปดอย่างไรก็ตามมันก็คือศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมสมาธ <c oughs> ิทีสมสังกปะเนี่ยรวมเป็นปัญญาสมาวาจรสมากรรมตัสมาอชีวะรวมเป็นศีล นะสัมมาวยามะสมมาสติสมมาสมาธิเนี่ยรวมเป็นจิตเรื่องของสมาธิน ะ, ะเพราะฉะนั้นตรงๆตัวแล้วเนี่ยกระบวนการนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ศีล ส, สมาธิปัญญานี่นนเองศีล ส, สมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาอยู่แค่นี้เองนะทีนี้ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคุณดนใจผู้เช่าโอ้โหพูดไว้มากทีเดียวนะว่าเป็น อยากรวยใช่ไหมคุณทําตามสีนสมาธิปัญญาอยากมีชื่อเสียงใช่ไหมคุณทำตามสีนสมาธิปัญญาอยากที่จะมีคนรักใช่ไหมสีนสมาธิปัญญาอยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตสีนสมาธิปัญญาอยากที่จะมีอะไรเหรออยากอะไรเหรอยากได้อะไรอ่ะมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงสีนสมาธิปัญญาอยากอะไรอีกนะอยากที่จะให้ครอบครัวมีความสุขสีนสมาธิปัญญา นะ<ช>อยากที่จะทําให้จิตใจชั้นตั้งมั่นบรรลุนิพพานได้ศีล ส, สมาธิปัญญาไหนะอยากจะเป็นคนดีของครอบครัวเป็นช่วยพัฒนาประเทศชาติศีล ส, สมาธิปัญญาศีลนะ ส, สมาธิปัญญาเนี่แหละทุบโต๊ะแล้วก็ต้องพูดอีกว่าเป็นมูฟเป็นสุดยอดของธรรมะที่พุทเจ้าบอกคือทั้งหมดแล้วคุณตาใจใที่เราพูดมาสองสาสัปดาห์นี่หมดแล้วนะหมดแล้วอาตมาไม่มีอะไรจะพูดแล้วสรุปได้ว่าถ้าเราอยากจะ พนทุกข์นะเจ้าคะแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขใจประสบผลสําเร็จในชีวิตนี้ก็คือขอให้ยึดธรรมะของพระเถรองซึ่งพระอาจารย์ภัยบูรณภิปุโนโก็ได้สรุปลงมานะเจ้าคะว่าเล่ามาถึงตั้งแต่แก่นคําสอนที่ว่าปฏิจจสมุทบาททํำยังไงยังไงแล้วก็ ม, มีทางแก้ทุกข์ยังไงมี4ทางนะเจ้าคะในที่สุดแล้วเนี่ยทุกทางก็มุ่งไปสู่วิมุตต์ก็คือการที่จะเรียกว่าปล่อยวางได้จริงๆแล้วก็นิพพาน ที่เป็นบรมสุขนั้นเลยนะเจ้าคะแล้วก็พระอาจารย์ก็ได้เมตตาที่จะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวล น, นั้นเนี่ยองค์พระสมามัคคีพพุทธเจ้าก็ได้ทรงสั่งสอนไว้ว่าไม่ว่าเราอยากจะได้อะไรในสิ่งที่เป็นดีๆนะเจ้าคะ mm. ก็ขอให้ยึดเรื่องของศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นหลกักในการที่จะทําให้ครบทั้งสาม ตัวนี้ถูกไหมเจ้าคะใช่ใเจ้าค่ะคือที่บอกว่าไม่มีอะไรจะพูดเนี่ยคือหมายความว่าที่พูดมาไม่ว่าจะตอนไหนก็แล้วแต่หรือจะพูดไปที่เหลือจากชีวิตของเราไปเนี่ยเขจะพูดแค่เรื่องศีลสมาธิปัญญาปัญญานี่ใช่เจ้าค่คืออรรมาติก็จะไม่ได้พูดนอกเหนือจากเรื่องนี้อยู่แล้วนะตั้งแต่คุยกับคุณเตือนใจมาแรกๆจนถึงว่าจะไปจัดต่อไปอีกสิปียีปีเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องแค่ศีลสมาธิปัญญาเจ้าค่ะ เพราะว่าเรานําเอาผู้เจ้าวจนะหรือสิ่งที่พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้สอนไว้คือจากพุทธโอด์ท่านจริงๆก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญานี้ใช่ไหมครับใช่ชพุทเจ้าสอน<ช>แค่แคนี้เองจริงๆสอนคแค่นี้จริงๆนะคือใบไม้ในกํา ม, มือที่พุทธเจ้าแบมาให้ดูเนี่ยคือพระเจ้าเคยเปรียบทเทียบกับคือตอนนั้นเดินไปอยู่อยู่ที่ตามป่าเนี่ยนะพุทเจ้าเราก็อยู่ตามบ่ายไว้ละแล้วก็ไปหยิบใบไม้มากําหนึ่งนะเป็นใบสีสปา แล้วก็ถามว่าใบาไม้ที่อยู่ทั้งหมดเป็นต้นเนี่ยกับใบไม้ที่อยู่ใ น, นมือเราอันไหนมากกว่าหรือน้อยกว่าน <Okay. S 1> ะพิกสุก็บอกว่าในต้นนี้มากกว่ามากจริงๆเลยนับไม่ท้วนเลยใบยไม้ในมือ น, นิ้นทีเดียว <Okay. S 1> แล้วพุช้าก็บอกว่านี่แหละที่เราสอนอยู่ทุกวันเนี่ยนั่นคือเรื่องศีลสมาธิปัญญาตรงนี้มีแค่นี้เองนะเพราะว่ามันจะทําให้ถึงความดับถูกได้แต่ <Okay. S 1> ที่ต้องพูดกันตั้ง45ปีนะพูดกันมาจน 2,600 ปีแล้วเนี่ยก็พูดเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่แหละ เพื่อให้เรารู้กระบวนการวิธีในการที่จะปล่อยวางได้ <Okay. S 1> คือคือวิธีเนี่ยมันหลักการมันอยู่แค่ศีลสมาธิปัญญานะแต่ไอ้ที่เราจะปล่อยวางจริงๆได้เนี่ยเอาอันไหนที่มันจะปล่อยวางได้ทําให้เราคลายความทุกข์ได้ให้จิตของเราเบาสบายได้เอามันอันนั้นเข้าใจไหมมันจะมีอยู่หลายอย่าง <Okay. S 1> อย่างบางคนเนี่ยฟังเสียงด่าแต่บางคนก็จะเข้าใจว่าเออเสียงนี้เป็นแค่อากาศธรรมดาอย่าไปนสนใจนะ น, นี้เขาก็วางได้อันนี้ก็จิตของเขาเป็นอย่างนี้ นะหรือบางคนจะเข้าใจว่าเออตัวฉันไม่มีตัวตนฉันก็เป็นเหมือนกับไม่มีอะไรเธอจะดา่าด่าว่าฉันฉันก็ไม่มีปัญหาอันนี้ก็จะทําให้เขาวางไล้อนนี้ก็บางคนก็จะมองมุมนี้นะหรือบางคนก็จะอาจจะจะมองว่าเออับดีนะด่าว่าฉันนะฉันจะได้มาปรับปรุงตัวคิดอย่างนี้จิตเขาวางได้ก็ดีเหมือนกันมันก็ได้หลายแง่หลายมุมนะแต่ทั้งแง่ทั้งมุมนั้นสามสีวิธีนั้นก็อยู่ในศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้นะอืมเจ้าอาจารย์สรุปย่อแบบ ท่านผู้ฟังฟังแล้วเหมือนกับง่ายมากเลยนะเจ้าคะ่ะทำให้มีกําลังใจขึ้นอีกเยอะมากเลยในการที่จะปฏิบัติธรรมมาททเจ้าคะ่ะมันไม่ยากไงไม่ยากาะนะคือถ้าเราทําผิดเนี่ยมันจะยากมากนะแต่ถ้าเราทําถูกเนี่ยไม่ยากทําผิดยังไงที่ทำผิดตะกี้คุณเตือนใจพูดพูดเกือบถูกแล้วร้อ เ, เซนต์ น, นคือถ้าเรายืดเนี่ยยืดเอาศีลสมาธิปัญญาความยืดนะความยืดนี่เป็นเหตุ ข, ของความทุกข์ ยึดมีคืออุปทานนะคุณเตจัยอ๋อเจ้าค่ะห้ามยึดมันสิมากห้ามยึดห้ามยึดอย่างถ้าเราไปยึดศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าใครมาทําผิดศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราจะจี้ทันทีนะหรือมีคนบอกเอ้ยศีลไม่ดีหรอกเฮ้ยต้องกินเหล้าก่อนศีลไม่ดีเราจะจี้ทันทีเพราะเรายึดศีลเจ้าค่ะแต่เราทํายังไงศีลสมาธิปัญญานี่ให้ทําให้มากให้ปฏิบัติเองะให้เอาเป็นที่พึ่งแตถ้าเราพึ่งศีลพึ่งสมาธิพึ่งปัญญาเนี่ยใครจะทำปุ้ยยุปัญอย่าาาางไก็ตมเขทํด้อยู่ดี เราก็จะไม่รู้สึกจีดเราจะไม่รู้สึกโกรธอย่างอย่างตอนนี้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้พระศาสนาถูกย่ำยีโอ้ยมันจะไปย่ำยีได้ไงใครจะมาย่ำยีพระศาสนาได้พระเจ้าบอกว่าคําสอนพระองค์เนี่ยเป็นจักที่ไม่มีใครที่จะต้านทานกลับได้ด้วยมือได้แล้วใครจะมาต้านทานคําสอนพระเจ้าได้ไม่มีมีแต่คุณน่ะไปยึดถือคําสอนพระเจ้ามากเกินไปไม่ใช่ยึดน้อยจะดีนะคือคุณไปยึดคําสอนพระเจ้าทาให้คุณเนี่ยไปยึดถือว่าถ้าใครมาทำผิดตรงนี้คุณจะจะมีความทุกข์ทันทีแต่คําสอนพระเจ้าเนี่ย ให้เอามาปฏิบัติตามนะ ใ, ให้เป็นที่พึง่งคาว่าเอามาปฏิบัติตามเป็นที่พึ่งเนี่ยก็คือสารณะ น, น, นั่นเองถ้าพูดภาษาบาลีก็จะเป็นคําว่าสารณะกับคําว่าอุปท า, านใช่ไหมสารณะเนี่ยเป็นเอาเป็นที่พึง่งคือให้เรามาปฏิบัติตามนะอุปทานนี่คือเอามายึดไว้เอามาเป็นของเราถ้าอะไรที่จะมาเป็นของเราเป็นตัวเราของเรานะคุณจะมีปัญหาทันทีอืมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาให้เอาเป็นที่พึ่งนะเราจะสบายใจได้อืมเจ้าค่ะ น่าสนใจมากเลยนะเจ้าคะทีนี้เนี่ยโยมคิดว่าเราเหลือเวลาอยู่ประมาณห้านาทีเจ้าคะ่ะโยมก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนนะเจ้าคะ่ะอย่างที่ทั้งหมดทั้งมวล ท, ที่พระอาจารย์ได้เมตตาสากักฉามาในเรื่องที่เกี่ยวกับไม่ว่าจะหนทางแห่งการดับทุกข์หรืออะไรต่างๆที่ มีปรมเหตุมาจากแก่นคำสอนของพุทธองค์เกี่ยวกับเรื่องของปฏิจจสมุตบาทก็คื อ, อธรรมะที่อาศัยซึ่งกันและกันสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เนี่ยแล้วก็รวมทางได้พูดอย่างครบวงจรนะเจ้าค่ะว่า จะเกิดยังไงและจะดับทุกยังไงเนี่ยอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้สรุปสุดท้ายาประมาณสักข้านาทีเจ้าค่ะเพื่อว่าในสัปดาห์ต่อไปเราจะได้หยิบยกเรื่องอื่นๆมาสาักกษาหรือว่าสนทนาธรรมกันต่อไปเจ้าค่ะทุกท่าเจ้าค่ ะ, ะคือหลักเกณฑ์แรกที่เราเริ่มต้นกันมาเลยนะคือเราเริ่มต้นจากคําพูดของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงดับไปนะพูดง่ายๆภาษาไทยเราก็บอกว่า <S <S <ๆ>เพราะอะไรมีอะไรจึงมี <S <S <ๆ>เพราะอะไรดับอะไรจึงดับนะเราเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วเราก็ไล่ไปเลย <S <S เอยจิตทําไมเรามีความทุกข์เอจิตทําไมเราถึงเป็นอย่างนี้จิตเรามีความรู้สึกได้ยังไงทําไมจิตของเราเอ่อมีเกิดเกิดดับดับตรงนี้ก็ไล่มาตั้งแต่ว่าจิตที่เรามีความทุกข์เนี่ยเพราะว่าจิตมันไปก้าวลงนะไปยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นการเกิดขึ้นมาใช่ไหม ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะจิตเราไปมีตัณหามีความสัมผัสเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไม่ปรุงแต่งก็ได้มีอวิชาเกิดขึ้นนะเราพูดถึงเหตุการณ์เกิดตรงนี้แล้วเราก็พูดถึงเหตุการณ์ดับนะว่าเออทาไงถึงให้เราคลายทุกข์ลงไปได้นั่นะก็คือการที่เราจะต้องอทำให้เราไม่มีการปรุงแต่งนะให้มีวิชาเกิดขึ้นนะไอกระบวนการที่จะทําวิชาบิมุดให้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ได้พูดมาในสัปดาห์ที่2ต่อมาที่3ต่อมาว่ามันก็มีอยู่หลายกระบวนการ เราก็ได้พูดลงลงรายละเอียดถึง4กระบวนการด้วยกันนั่นก็คือการที่เรามีศรัทธานะทําทการฟังธรรมให้เกิดขึ้นนะทําสติให้เกิดขึ้นมีสติปัฏฐาน4ี่มีโพชงเจตอันนี้ก็ได้นะหรือว่าการที่เร า, เาครบกับคนดีใช่ไหมมีการาทําในใจโดยแยบคายนะแล้วก็ทําสัทธาให้เกิดขึ้นมีปราโมทยมีบีติมีสมาธิปล่อยวางได้นี่ก็กระบวนการที่2หรือว่าเราจะมาที่อนาปานสติก็ได้ นะซึ่งก็ตัดตอนมาถ้าเราทําอนาประสติแล้วก็จะทําให้สติปัญสีเกิดนะปล่อยวางได้เหมือนการมีวิชาวิมุติเกิดขึ้นไดนะ้หรือว่าเราจะใช้อินทรีย์ทั้งอิ 5, นทะรีย์หอินทรีย์หนะอีกกระบวนการหนึงก็ได้นะแล้วเราก็สรุปรวมที่ว่าทั้งหมดเนี่ยสายการเกิดเนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะอย่างไรก็ตามนะเราก็มาแก้ปัญหนานี้ด้วยกันนะด้วยการที่จะทํามรรคให้เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือมรรคทั้ง8นั่นเองแล้วนะก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเอง แล้วกระบวนการที่ทำเนี่ยเราต้องค่อยๆทําไปนะทำอย่างให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะค่อยๆทําไปค่อยๆทําไปให้มันเต็มขึ้นเต็มขึ้นนะทำซ้ําๆทําย้ำๆเวลาชาวนาเขาทานาคุณเตใจตอนนี้หน้าฝนเนี่ยเขาเริ่มลงนากันละที่วัดป่าดอนไอโศกนะที่บู่บ้านดอนไอโศกเนี่ยนะเขาก็ทําที่เดิมอะคุณเดินใจทํามาเป็นหลายร้อยปีแล้วนะทําที่เดิมนากนาเดิมข้าวออกมาได้เลี้ยงคนเป็นหลายร้อยร้อยปีหลายชั่วอายุคนมาแล้ว นะเช่นเดียวกันถ้าเราทำนาที่จิตของเรานะทำยังไงทำซ้ำๆทำยำๆไ ม, ม่คุณมีศีลสมาธิปัญญาทำให้ยิ่งขึ้นไปศีลอันยิ่งก็มีสมาธิอันยิ่งก็มีจิตอันยิ่งขึ้นมีทำๆท ำ, ทำสั บ, สบๆย้ำๆทำไปไเรื่อยๆเนี่ยจิตเราสะอาดขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นนะทำวิชาวิมุติให้เกิดขึ้นได้สว่างขึ้นได้ปล่อยวางได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ อืมเจ้าค่ะและสำหรับการเป็นบรรลุเป็นพระอรหันนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นพระสงฆ์เท่านั้นใช่ไห่เจ้าคะสําหรับฆราวาสทั่วไปถ้าสามารถเพื่อปฏิบัติแล้วกํทจิตปล่อยวางได้จริงๆก็สามารถเป็นพระอรหันได้ใช่ไหมเจ้าคะใ ช, คะใช่ควา ม, มเป็นอริยะบุคคลเนี่ยเป็นที่จิตน ะ, ะไม่ได้อยู่ที่เพศภายนอกไม่ได้อยู่ที่วัสถานะไหนไม่ได้ไว<ช>้คุณคผิวสีอะไรนะคุณเตี้ยต่ําดําสูงได้ทั้งนั้นนะอยู่ที่จิตเท่านั้นเอง สาธุเจ้าค่ะค่ท่านผู้ฟังคะดิฉันคิดว่าแล้วก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรายการธรรมารับรุ่นซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโ น, โนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปริกเก้นตามพุทธวจนะหรือพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลนนทหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี รับฟังโดยเสมอมาหลายสัปดาห์ที่ต่อกันมานั้นเนี่ยเดชันคิดว่าท่านผู้ฟังต้องเกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็รู้แล้วว่าพระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนอะไรบ้างแล้วก็คงจะรับทราบถึงวิธีการที่เจ้าจะพ้นทุกข์ได้แล้วก็มุ่งปฏิบัติไปเพื่อจ ะ, จะไปถึงวิมุตินะคะก็คิดว่าจะเป็นเรื่องที่อย่างที่ได้กราบเรียนถามพระอาจารย์ไ พ, พูแล้วคะ่ะว่า เราเป็นคารวะธรรมดาถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพุทธองค์อย่างแท้จริงไม่ได้ทําแบบเต่าอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าคาว่าโผโ พ, พ, พ, พคือทำไม่ไม่ตลอดไม่ไม่ทำให้มากไม่ทําให้ยิ่งขึ้นขึ้นไปนะั้นเนี่ยเราก็มีเรียกว่าสามารถที่จะบรรลุธรรมได้แล้วก็สามารถที่จะไปถึงสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นวิมุติ กันได้อย่างแท้จริงนะคะก็คิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูตรอภิปุโนแล้วก็กราบนมสการาพระอาจารย์ด้วยความซาบซึ้งใจยิ่งนะเจ้าคะอาทิตย์นี้ก็คงจะเป็นการจบทั้งหมดที่เราได้คุยมา เกี่ยวกับเรื่องของปฏิจจสมุตบาทซึ่งลงในรายละเอียดเลยส่วนในสัปดาห์หน้านั้นก็จะมีเรื่องของกรรมมีเรื่องของอะไรมาลงในรายละเอียดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอีกใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใชสาธุเจ้าค่ะสําหรับวันนี้เราก็ขอกราบขอบพระค<ม>ุณพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดระสะอาดทีตัวพระโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไทยโศกแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าตั้งแต่ตีห้าถึงตีครึ่งเหมือนเช่นเคยในช่วงของการสักกาหรือสนทนาธรรมนะคะกราบน้มัสการขอบพระคุณและกราบน้ำม ขาพระจั น, จจ น, นทร์จูาเชนสาธุจค่า